เริ่มเลยนะอนอื่นพวกเรานั่งหายใจไปสักนาทีหนึ่งก่อนคอโล่พ่อหอบก่อนชักแก่แล้วเพิ่งจะมาถึงกานะเอาเวลาไว้ก็พอดีแล้วละแต่ว่ามากลางทางรถมันมีอุมัติเหต ชนกันเลยมาถึงช้าไปนิดหนึง่งปกติหลวงพ่อมาถึงก็ะไปนั่งสมาธิพักสักครู่หนึง่งวันนี้มาถึงก็ขึ้นเทศเลยใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลยย t ท b e ก็ไม่เคยไม่เคยยกยกให้สง่างามหน่อยก็เยอะเหมือนกันนะ ไม่เคยฟังเนยฟังครั้งแรกก็ยากนะแต่ก็ไม่เกินมิสัยที่เราจะเรียนรู้ส่วนใหญ่คนที่พอนนาให้ไหวพัฒนาไม่ค่อยขึ้นมันมีสองกลุ่มพวกหนึ่งฟุ้งซ่านคิดลุกเดียวไม่มีสมาธิเลยอีกพวกหนึ่งนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆเพ่งให้นิ่งเลย จิตที่เพ่งให้นิ่งเดินปัญญาไม่ได้จิตนะที่จะพัฒนาตัวเองนะให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เป็นะจิตที่รู้สึกตัวไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งเอาไว้ให้นิ่งๆคนส่วนใหญ่นั้นลืมตัวเองทั้งวันในขณะที่นักปฏิบัตินะ พอลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นมันเลยรู้สึกว่าการจะบรรลุมรรคผลนั้นยากเหลือเกินเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลายสิบปีมาแล้วไปตามวัดเนี่ยคนภาวนาเยอะแยะเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยร้อยเลยกลางคืนถ้าไม่นั่งใจลอยนะเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ นั่งเพ่งเอาไว้เดินจงกรมก็เพ่งเอาไว้ตอนนั้นหลวงพ่อไปเดินดูเขาภาวนานะเราก็ยังเด็กจิเลสเราก็แดงนะเราก็ไปนึกกลามาทเขาว่าไม่เห็นมีใครภาวนาเลยมีแต่คนที่เผลอไปกับคนที่เพ่งไว้นั่งสมาธิเผลอก็มีนะนั่งแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัว อีกพวกหนึนก็เครียดทำแล้วก็เครียดตลอดเลยในใจก็นึกปรามาศเขาบา้างว่าที่นี่มาเห็นมีใครภาวนาเลยในคิดในใจอย่างเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงพุทธเทศที่เห็นมักเป้งหลวงพุทธเทศนั้นเป็นพระใจดีเย้มหวานหวานไม่ว่าใคร เห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มอีกแหละแล้วท่านก็พูดเปรยๆบอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วลนะพวกที่ไปด้วยกันนะพวกคุณป้าเขาก็งงนั่งสมาธิเดินจงกรงกันเป็นร้อยเลยทำไมท่านว่าไม่ได้ภาวนาแต่ท่านพูดอย่างนี้นะหลวงพ่ออายมากเลยเพราะเราไปคิดในใจว่าที่นี่วัดนี้ไม่เห็นมีใครภาวนาเลย เช้าขึ้นมายังไม่ท่านจะไปพูดอะไรกับท่าน่ะท่านเห็นหน้าท่านก็เฉาะกระโหลกเขาให้ล้วเป็นการสั่งสอนว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านตัวเองก็ไม่พาวนาเหมือนกันแหละหมดจะไปดูชาวบ้านนะรวมความแล้วคือทั้งหมดเลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ดีกว่าเขาหรอกนะจิเจลศเราเราไม่เห็นงนั้นการที่คนจะปฏิบัติธรรมนะจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี่ย ยังไม่แน่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมจริงอาจจะนั่งสมาธิเลื่อยเปื่อยไปก็ได้หรือนั่งเลาเคร่งเครียดหรือเดินโจงกลมนะเดินทรมานตัวเองไปงั้นเองเดินเอาระยะทางว่าจะเดินเท่านี้รอบเท่านี้รอบบางคนก็เดินเอาเวลาว่าจะเดินเท่านี้ชั่วโมงเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคอยดูนาฬิกานะว่าเมื่อไหร่จะครบเวลา หรือเดินจะเอาสักร้อยรอบเนี่ยก็รีบเดินรีบจำจๆจำจมครบร้อยเร็วๆเวนี่ยนั่งสมาธินะเดินจงกรมแบบนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะไม่มีสติถ้าเมื่อไรเรามีสตินะเป็นเครื่องคุง้มครองรักษาใจตัวเองอยู่ทุกก้าวที่เดินมันก็คือเดินจงกรมตลอดเวลาที่นั่งอยู่มันก็คือการนั่งสมาธิ มันไม่ได้อยู่ที่เปลือกของการปฏิบัติว่าจะนั่งท่าไหนว่าจะเดินท่าไหนมันอยู่ที่ว่าจิตแล้วมีคุณภาพไหมในระหว่างที่นั่งนั้นมีสติไหมระหว่างที่เดินมีสติไหมถ้าขาดสติตัวเดียวก็คือขาดการปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยนะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติเกิดเนี่ย อากูสลที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยจะดับทันทีอากูสลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติเนี่ยกูศลจะเกิดขึ้นทันทีกูศนที่เกิดแล้วก็จเจริญ ง, งอกงามไฟบูนขึ้นเป็นลําดับลาดับไปงั้นมีสติครูบาอาจารย์ถึงสอนว่า ม, มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรคาว่าความเพียรหรือสัมมาวายามะนะ มันมีองค์ประกอบสี่อย่างนะเพียนปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเนะเพียนละอกุศลที่เกิดแล้วให้หมดไปเพียนทากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียนทากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรชอบอาศัยการมีสตินั่นเองความเพียรชอบก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะ ท, าทันทีที่มีสติเนี่ยกิเลส ท, ที่มีอยู่จะดับทันที จิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติกุศลก็เกิดขึ้นทันทีเพราะสติเป็นตัวกุศลแล้วถ้าเราฝึกมากนะศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับลำดับไปอาศัยสตินี่เองครู บ, บาอาจารย์ถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเหมือนถึงเราจะไปเดินจงกรมหามลุ่งหามค่าแต่ถ้าไม่มีสติ ก็เรียกว่าเดินเรื่อยเปือยเดินทรมานตัวเองไม่เรียกว่าปฏิบัติถึงจะนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะแต่ใจิตใจล่องลอยไปไม่มีสติก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติพนการจะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เปลือกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเดินสวยนะเรานั่งสวยไม่มีความจาเป็นอะไรเลยในทุกๆอิริยาบถ ท, ที่มีสตินี่ในขณะนั้นมีการปฏิบัติทั้งสิ้น ในทุกอิริยาบทไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติเพราะสติเป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดนะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราจะต้องพัฒนาสติให้เกิดขึ้นอยู่ๆสติไม่เกิดสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะสติเป็นอนัตตานะสั่งไม่ได้ วิธีนี้ทำให้สติเกิดนึงก็คือการที่เราหัดรู้สภาวธรรมบ่อยๆเมื่อจิตเราจําสภาวธรรมได้แม่นสติจะเกิดเองสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมมีสองส่วนคือรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมาในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยรู ป, ปรธรรมและนามธรรมานึกออกไหมมีร่างกายอันนี้เป็นส่วนของรู ป, ปรธรรมมีจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย อั น, นี้เป็นส่วนของนามธรรมาให้เราหัดรู้รูปธรรมหัดรู้นามธรรมาให้มากๆนะคอยรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวคําว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตรงข้ามกับใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาที่เราใจลอยนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจ เรื่องตัวเองตลอดไม่สามารถรู้สึกตัวได้เราต้องมาฝึกนะให้จิตใจมาอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทางานเรื่อยๆไปอย่างร่างกายเนี่ยดูได้หลายแงยม่มุมจะดูในแง่ที่ว่าร่างกายแห่ใจออกรู้สึกตัวร่างก า, แายแฮ่จเข้ารู้สึกตัวก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด น, นิ่งรู้สึกตัวก็ได้ อย่ขาขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมลองพยักหน้าซิเนี่ยขณะนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมแค่รู้สึกเท่านั้นไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับถ้าเพ่งถ้าจ้องถ้าบังคับเนี่ยจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเหมือนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขาทำกันผิดๆนั่นแหละบังคับตัวเองตลอดเวลานนจนเครียดไปหมดเลย ยิ่งภาวนายิ่งเครียดกวถือว่าภาวนาไม่เป็นหนอกนั่นเะราคอยรู้สึกนะจะเริ่มต้นจัดตายก็ได้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกขณะ น, นี้รู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่อย่าไปดูลมหายใจนะอย่าไปดูที่ลมหายใจรู้สึกตัวทั่วรลอมรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปสบายส บ, ยสบยนะ เนี่ยอย่างฟังหลวงพ่อไปพอเกิดความเข้าใจก็พยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูร่างกายมันเคลื่อนไหว เ, เราขยับมือซิเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันขยับมือไม่ต้องไปเพ่งนะถ้าเพ่งมันจะเครียดเนี่ยบางคนภาวนาอย่างนี้ผิดนะหน้าตาเคร่งเครียดดูไม่ได้เนี่ยนะรู้สึกสบายๆรู้สึกไปสบายสบาย จิตใจที่สบายจะเกิดสมาธิถ้าสมาธิเกิดจากความสุขความเครียดเนี่ยไม่ทำให้มีสมาธิขึ้นมาเลยปรับใดที่จิตเครียดนะจิตจะไม่มีสมาธิถ้าจิตมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดนะในอภิธรรมสอนชัดเลยว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะเรารู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุขร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุข ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปด้วยความสุขนะอ่ขณะเนี้บางคนหาวบางคนหาวปฏิบัติได้ไหมบางคนบอกว่าฟังเทศแล้วหาวเนี่ยบาปมากตายไปจะไปเป็นงูเหลือมไม่จริงหรอกทุกวันนี้งูเหลือมหายากแต่คนที่หาวขนาดฟังเทศเนี่ยเยอะมากนะไม่มีท้องงูเหลือมจะไปเกิดหรอกนะนเนี่ยคยรู้สึกไปนะ แค่ร่างกายเหาาเราก็เห็นร่างกายมันห่านะใจเราเป็นคนดูร่างกายป็นยิ้มนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายป็นยิม้มแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปเอายิ้มหวานหวานลองยิ้มซิยิ้มหวานๆวานยิ้มเหมือนตอนหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกน ะ, นะเคยมีใครมาบอกรักบ้างไหมหรือไม่เคยเลยชาตินี้ บางคนไม่เคยเลยเลยคนมีบุญไม่ถูกหลอกลวงนะคนมีบุญมีวา ส, สนาอยู่คนเดียวดีที่สุดเลยเนะ้เาะนา ง, ง่ายไม่มีใครมาควรใจเราอย่างแต่งงานไปนะมีลูกเนะี่ยเราจะนั่งสมาธินะลูกก็ร้องแ้แ้แ้จะกินโน่นจะเล่นนี่นะชวนเราเล่นด้วยสินะเสียเวลาเรา เป็นโสตแลดีที่สุดแล้วนะล่ะนะรู้สึกนะตอนนี้บางคนยกมือขึ้นป้ายจมูกบางคนก็ยกมือขึ้นเกา่ารู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ดูเบสิคดูเพลนเพลนแต่จะบอกให้ถ้าทํานะมรรคผลนิพพานจะอยู่ไม่ไกลเรา เพราะผลนิพพานเะนี่ยมันเกิดจากจิตเราเกิดปัญญาแก่รอบรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันรู้ถึงความจริงแล้วนะวิมุตต์ก็เกิดขึ้นอาศัยปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี่แหละวิมุตต์นะมรรคผลเลยก็จะเกิดขึ้นเองงั้นการที่เราเคยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าดูถูก ว่าเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องที่มนุษย์ในโลกนี้แทบไม่มีใครรู้สึกเลยคนในโลกมีแต่คนหลงคนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะนี่เรามาเปลี่ยนตัวเองจากมนุษย์หลงนะมาเป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวไปนะร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกให้รู้สึกแล้วการเคลื่อนไหวตลอดอะเดี๋ยวว่าหายใจเดี๋ย ว, ว่าเกา เดี๋ยก็ขยับเนี่ยหลวงพ่อก็ปฏิบัติทำได้นะเปิดกะติกเนี่ยเห็นร่างกายมันเปิดกะติกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอก น, นี่นเราฝึกนะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนรู้สึกไหมตอนนี้เคลื่อนไหวหรือตอนนี้หยุดนิ่งรู้สึกไห นะตอนนี้หาวเนี่ยครหาวเอามือมาปิดปากนะเนี่ยก็เห็นะ <Okay. S 1> ร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน จะค่อยรู้สึกขึ้นมาตรงที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายนะี่ว่าเรามีสติแต่ตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะี่ยเรียกว่ามีปัญญานะถ้าปัญญาแก่รอบแล้วก็อริยมรรคจะเกิดขึ้นคนทั่วไปเวลาเคลื่อนไหวนะมันก็ลืมตัวเองนะมันหลงอยู่ในความคิดแล้วก็ดุกดิ๊กไปอย่างนั้นเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวเนี่เราลองรู้สึกดู ทำใจสบายเห็นร่างกายหายใจลองดูสิลองนั่งดูเล่นๆ น, นั่งดูเล่นๆ น, นะเห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจรู้สึกไหมใจเป็นคนไปรู้มันเข้าอันนี้ค่อยๆหัดแยกไปเราจะเรียนรู้เราจะวิจัยธรรมะนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูปธรรมกนามธรรมนี้แหละเราจะมาวิจัยมันว่ารูปธรรมนี้จริงๆเป็นยังไง นามธรรมนี้จริงๆเป็นยังไงนะอย่างที่เรียกว่าธรรมวิจัยะนะวิจัยธรรมหรือวิจัยรูปธรรมวิจัยนามธรรมนี่แหละอาศัยสติเป็นคนไปวิจัยอ น, นี้เราเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ใครเห็นร่างกายหายใจบ้างยกมือสิอย่าไปเพ่งที่ลมหายใจนะนักปฏิบัติเนีเกือบร้อยละร้อย เรบอกว่าให้รู้ว่าร่างกายหายใจก็ไม่ยอมรู้ว่าร่างกายหายใจแต่ไปเพ่งที่ลมหายใจถ้าเพ ين, ่งลมหายใจมีจิตมันจะเดินไปทางกสินมันคือการเพ่งกสินเพ่งลมเพ่งช่องว่างช่องว่างอยู่ที่ไหนที่รูจมูกเพ่งไปเพ่งไปลมหายเป็นแสงก็กลายเป็นกระสินแสงกลายเป็นเพ่งกสินไปคราวนี้เราเปลี่ยนเราไม่ไปเพ่งกระสินไม่ไปเพ่งลมหายใจนะ เราเห็นร่างกายทั้งตัวเนี้ยหายใจเนี่ยบางคนขยับมือเนี่ยเห็นร่างกายขยับมือนะบางคนทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนะส่วนใจก็เคลื่อนผิดนะ่ะเคลื่อนเราก็ไปเท่งมือถ้าเคลื่อนถูกมันจะเห็นว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้คนดูนะค่อยๆสังเกตไปว่าสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมีกายกับใจ ร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนดูลองไปยักหน้าซียพยักหน้าไม่ต้องเร็วนะไปยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึกไม่ต้องหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะคอยรู้สึกไปสบายๆไม่นานเร า, เราจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยธาตนะุหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่านยะนี่เราได้เรียนรู้ลงไปรู้ความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแต่ก่อนจะเรียนได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเร า, ารู้สึกตัวขึ้นมานะเห็นร่างกายมันเคล่นไหวไปใจเราเป็นแค่คนรู้สึก ถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราพอไหวแมมอย่างนี้สอนอย่างนี้ง่ายมากแล้วนะทีนี้สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราไม่ใช่มีแต่ร่างกายมันมีนมามธรรมด้วยนมามธรรมที่ประกอบกันอยู่เป็นตัวเราขึ้นมานี้มีสี่อย่างอันแรกคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกความรู้สึกไม่สุขไม่ทุก รู้จักความสุขัหมความสุขอยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มีความทุก์รู้จักไหมเนี่ยถ้าเราหัดเริ่มรู้นำมาทำนะล้วก็คอยรู้สึกที่ความสุขความทุกข์ก็ได้ความสุขความทุกข์มันเกิดได้ที่กายที่ใจแต่ถ้าอยากแนะนำว่าให้คอยรู้ความสุขความทุกข์ที่ใจเพราะความสุขความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมันย้ายที่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ย้ายไปอยู่ตรง้นเียก็ย้ายไปอยู่นี้ ตามดูยากแต่ความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลานะอยู่ที่ใจเราที่เดียวนี่เองขณะ น, นี้ใครรู้สึกเฉยๆบ้างไม่สุขไม่ทุกยกมือสิยกมื อ, มอใครเฉยๆขณะ น, นี้ใครมีความสุขบ้างยกมือสิขณะ น, นี้ใครมีรู้สึกมีความทุกข์บ้างยกมือสนะิต้องคนละคนนะถ้าคนเดียวยกสามอย่างนี่นี่วิปลาส นะมันเกิดทีละอันไม่ใช่เรื่องยากใจเรามีความสุขเราก็รู้สึกใจเรามีความทุ ก, ก, กขก์เราก็รู้สึกใจเราเฉยๆไม่สนะุขไม่ทุกข์เราก็รู้สึกคอยหารู้สึกไปเรื่อยนะตอไปพอความสุขเกิดนะเราจะระลึกได้ว่าความสุขเกิดแล้วตัวที่ระลึกได้นะเรียกว่าสตนะิสติจะเป็นตัวรู้ทันงั้นเราหัดรู้ความสุข หัรู้ความทุกขหัรู้ความเฉยเฉยในใจบ่อยๆสุดท้ายสติจะเกิดนะสติจะเกิดขึ้นมาพอมีความสุขปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่ามีความสุขละพอมีความทุกข์ปุ๊บรู้ตัวเองเลยว่าทุกข์ละวพอมเฉยเฉยรู้ตัวเองว่าเฉยเฉยแล้วนะค่อยๆหัดสังเกตไปนี่บางคนไม่ชอบดูความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนะมีอย่างบางคนชิมโห ยังมาดูความสุขความทุกอะไรวุ่นวายใจนคนไหนขี้โมโหเราก็ดูใจขี้ขี้โมโหใจโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธใจหายโกรธให้รู้ว่าหายไม่ได้ฝึกว่าห้ามโกรธนะโกรธก็ได้เราไม่มีการแทรกแซงจิตจะโกรธขึ้นมาก็ได้แต่จิตโกรธขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าอ๋อโกรธล้ความโกรธจะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราก็รู้สึกอีก าอความโกรธหายไปแล้วตอนนี้จิตไม่โกรธละคนไหนที่โลภนะเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยเจออะไรก็อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างเราผมสีดําๆเนี้ยเราเห็นคนเขาย้อมผมสีแปลกๆเหมือนตัวกระต่ายมีอยู่สองคนนั่งหน่เนี่ยผู้ชายย้อมผมมาสีแปลกๆเนี้ยเราเห็นเราชอบอยากย้อมบ้างเนี่ยใจมันรักใจมันชอบเนี้ย ให้รู้ทันนะเราไม่เห็นเนละเจออันนี้ก็ชอบเจออันนี้ก็ชอบแต่ว่าไม่ว่าเราจะชอบอะไรนะมันชอบชั่วคราวอย่างเราเห็นคนนี้ผมสวยนะพอเราไปเห็นคนอื่นนะเฮ้คนนี้ก็สวยกว่านะหรือเราไปเห็นโทรศัพท์มือถือเราลืมเรื่องผมของคนอื่นแล้วเราอยากได้โทรศัพท์ใจของเราเต็มไปได้วยความอยากงั้นถ้าคนไหนเป็นคนชี้โลบนะเจออะไรก็อยากเจออะไรก็ชอบเนะี่ย ให้คอยรู้ทันใจที่หากใจที่ชอบคือดูโลภะที่เกิดขึ้นในใจเราจะเห็นเลยโลภะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะพวกโทสะก็ดูไปโทสะเกิดขึ้นมาอยู่ช่วคราวแล้วก็หายทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเนะี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปต่อไปใจโลภนิดเดียวนะเราก็จะเห็นตรงที่ใจโลภขึ้นมาปุ๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยนี่ว่าเรามีสติ ตอนที่ใจเราโกรธปุ๊บเรารู้ปับ๊บเรียกว่ามีสตินะเรามีสติแล้วต่อไปก็มีปัญญาเราจะเห็นว่าความโลภหรือค ว, วามโกรธนะมันเกิดเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้จงใจจะโกรธมันก็โกรธไม่จงใจจะรักมันก็รักไม่จงใจจะโลภมันก็โลภไม่จงใจจะหลงชิดฟุ้งซ่านมันก็ชิดฟุ้งซ่านได้เองนเะนี่ยหารสังเกตใจตัวเองไปเรื่อยนะ คนไหนขี้โกรธก็ดูความโกรธเรื่อยๆต่อไปพอโกรธปุ๊บสติเกิดนะต่อไปก็ปัญญาเกิดไม่จะรู้ว่าจิตมันโกรธได้เองแล้วคนไหนขี้โลภเราก็รู้ทันความโลภไปเรื่อยๆต่อไปพอความโลภเกิดก็เรียกว่าสติเกิดมันรู้ทันว่าโลภนะนะแล้วต่อไปปัญญาเกิดมันเห็นว่าความโลภมันเกิดได้เองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานะ ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชัว่วอยู่ชัว่วคราวทั้งสิ้นความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชัว่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีอยู่ชัว่วคราวแล้วก็หายนะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความโหดหูเข้ามาในใจเราแล้วอยู่ชัว่วคราวแล้วก็ห า, า immer, ยไป เนี่ยเราเรียนรู้ความจริงเราไม่ได้เรียนว่าห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามทุกนะตรงมีแต่ความสุขตรงมีแต่ความดีเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้ผิดธรรมดาอย่างนั้นถ้าใจเราธรรมดาขี้โกรธทังโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าโกรธไม่ต้องฝึกว่าห้ามโกรธนะรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทางานของมันได้เองมันสุขได้เองมันทุกข์ได้เอง มันดีได้เองมันชั่วของมันได้เองอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญานะเมื่ออาศัยสติในเบื้องต้นเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมาไปตรงที่เราคอยเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมวิจย ะ, ะอาศัยสติใช่ไหม ส, สติมีธรรมวิจยะคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามมีความเพียรคือไม่เลิก ดูบ่อยๆนะในที่สุดจิตใจก็มีปีติมีความสุขมีปัจสัทิมีความสงบนะมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็ฝึกจอทั่งในที่สุดจิตเป็นอุเบกขาต่อสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสุขมาจิตก็ไม่หลงระเริงความทุกมาจิตก็ไม่เศร้าโศกเพราะมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราว กูสลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงระเริงโลภโกรดหลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่เศร้าหมองไม่เกลียดชังนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายแล้วสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่เข้าไปปรุงต่อในสุดอริยมรรคเขาจะเกิดขึ้นนะถ้าบุญบารมีเรามากพอ เวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตไม่ได้มีความยินดียินร้ายต่อสภาวธรรมทั้งหลายจิตเป็นกลางกับสภาวธรรมทั้งหลายแต่ความเป็นกลางมันเกิดจากการที่เรารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกนี่แหละเช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยดังนั้นจิตก็จะเป็นกลางต่อสุขและทุกเป็นกลางต่อดีและชั่วนะถ้จิตเป็นกลางเนี่ยจิตจะไม่ยินรนต่อ รู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่ปรุงแต่งต่อเป็นประตูของอริยมรรคงั้นเส้นทางเดินนี้นะเส้นทางของคนกล้าเส้นทางของคนอดทนที่จะดูแล้วดูอีกคนทั่วไปในโลกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองศาสตร์แห่งการรู้กายศาสตร์แห่งการรู้ใจตามความเป็นจริงเนเป็นของดีของวิเศษที่จะนาเรา ออกจากวัฏฏะสสารออกจากของทุกนี้ได้อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละนะท่านพาให้เราเรียนรู้ความจริงของรู ป, ปรธรรมนามธรรมการเรียนรู้การเห็นความจริงของรู ป, ปรธรรมนามธรรมนะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมาฐานย่าตกใจกับศัพท์มันวิปัสสนาเนี่ยมันจะคําว่าวิกับคำว่าปัสนะปัฏนะว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้ง เห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นรูปธรรมอย่างถูกต้องเห็นนามธรรมอย่างถูกต้องรูปธรรมถูกต้องเป็นยังไงรูปธรรมไม่เที่ยงรูปธรรมเป็นทุกข์รูปธรรมเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นามธรรมที่ถูกต้องก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อันนี้จ้งทุกขังอนัตตา รู้จักไหมเคยได้ยินไหมอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามีคนไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะน่าสงสารมากเลยศาสตร์ของพระพุทเจ้ า, าไม่ได้เรียนอ น, นิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันไม่มียังมีความสุขอยู่เนี่ยถึงจุดหนึ่งความสุขก็าหายไปอย่างนี้เรียกว่าอ น, นิจจังของเคยมีแล้วไม่มีทุกขังหมายถึงว่าของที่กําลังมีเนี่ย กำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้สลายไปอย่างเรามีความสุขอย่างเงี้ยความสุขกําลังถูกบีบขั้นให้สลายตัวไปถือจุดหนึ่งความสุขก็ต้องหายไป น, นอย่างนี้เรียกว่าทุกขังคือมันบีบคั้นอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือสิ่งทั้งหลายจะไม่มีนีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่เกิด ทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นอย่างความสุขก็มีเหตุนะเหตุของความสุขก็คือเราได้กระทบอารมณ์ที่พอใจเหตุของความทุกข์ก็คือเรากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะเหตุของความโลภความโกรธความหลงมีเท่านั้นแหละนะกระทั่งเหตุที่ตามองเห็นรูปยังมีเลยขณะที่ตามองเห็นรูปนี้มีเหตุทั้งหลายตัวอันหนึ่งมีรูปอันที่สองมีตานะ อันที่สมีแสงสว่างอันที่สี่มีการกระทบระหว่างตากับรูปนะในภาวะที่มีแสงสว่างอันที่หมีจิตคือความความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นแพราน้แค่ตามองเห็นรูปวับเดียวเนี่ยที่จริงเกิดจะเหตุตั้งหลายตัวนะเหมือนอย่างไฟไหม้ไฟไหม้ก็มีเหตุให้เกิดนะไฟไหม้เกิดจากอะไรเหตุของไฟไหม้มีเชื้อเพลิงถ้าไม่มีเชื้อเพลิง ม, มันก็ไหม้ไม่ได้ มีความร้อนที่มากพอถ้ามันมีแต่ความเย็นมันก็ไม่ไหมมีออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนมันก็ไม่ไหมเนี่ยเวลาไฟไหม้เนี่ยยังมีเหตุตั้งหลายอย่างเลยแล้วเวลาเขาดับไฟเนี่ยเราพูดง่ายๆว่าดับไฟที่จริงแล้วไม่มีใครดับไฟได้เขาดับเหตุของไฟนะเนีย่ยไฟไหม้เนี่ยเพราะอุณหภูมิสูงเขาเอาน้ําไปฉีดถ้าน้ําไปฉีดเนี่ยอุณหภูมิลดลงไฟก็ดับหรือไฟมันไหม้ลามมานะ เราลือบ้านออกสักหลังสองหลังไฟลามไม่ได้แล้วไม่มีเชื้อเพลิงเหตุของไฟคือเชื้อเพลิงไม่มีไฟก็ดับหรือบางทีเราเห็นไฟไหม้รถยนต์นะก็ เ, เอาโฟมไปฉีดเนะี่ยออกซิเจนเข้าไฟไม่ได้ไฟก็ดับเห็นไม้มกระทั่งการดับไฟนะก็ดับที่เหตุแล้วไฟจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุนั้นรูปธรรมนามธมาทําทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็มีถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นก็ไม่มี การที right. it it ่ม like ันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้อย่างเราสั่งร่างกายไม่ให้แก่สั่งร่างกายไม่ให้เจ็บสั่งร่างกายไม่ให้ตายสั่งไม่ได้เพราะร่างกายนี้เป็นอนัตตานี่เราค่อยๆเรียนรู้ความจริงของชีวิตตัวเองทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะค่อยๆเรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญาแก่กล้ามันรู้เลยร่างกายนี้ไม่เที่ยง ร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อนเวลาร่างกายแก่จิตใจไม่หวั่นไหวร่างกายเจ็บจิตใจไม่หวั่นไหวร่างกายตายจิตใจไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่ามันเป็นของธรรมดาหรือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราไม่หิวความสุขเราไม่เกลียดความทุกข์เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างของชั่วคราวลองนึกดูในชีวิตเราสิความสุขก็ของชั่วคราว มีไหมในชีวิตเรานึกถึงซิว่าตอนไหนสุขที่สุดในชีวิตมีไหมในบางคนไม่มีเลยน่าสงสารมีบ้างไหมแล้ว ร, รู้สึกไหมว่าความสุขมันก็ผ่านไปแล้วมันมีนะแต่มันก็ผ่านไปนะแล้วนึกถึงตอนที่เราทุกข์ที่สุดในชีวิตซิบางคนอกหักทุกข์ที่สุดในชีวิตเลยอยากฆ่าตัวตายเลยนะบางคนนล้วชีวิตโอ้ยลําบากนะพ่อแม่ก็ไม่รัก มีสามีสามีก็ไม่รักมีลกูกลูกก็ไม่รักไปทำงานคนที่ทำงานก็ไม่รักชีวิตเนี่เฉามีแต่ความทุกข์นะเราลองย้อนไปดูความทุกข์ในชีวิตเรามันก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันนะมันมาแล้วก็มันก็ไปความสุขมันก็ามาแล้วก็ไปเนี่ยเรียนรู้ความจริงนะความจริงของรูปธรรมความจริงของนามธรรมในท่วนเราก็จะรู้ รูปธรรมทั้งหล า, ายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามธรรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดในรูปธรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดในจิตใจนใี่เป็นนามธรรมจิตจะไม่หวั่นไหวไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางความเป็นกลางด้วยปัญญานั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นของอริยมรรคอริยมรรคเกิดได้เพราจิต มีปัญญาแกกล้าจนเป็นกลางครับความปรุปแต่งทั้งหลายทั้งปวงค่อยๆฝึกนะฝึกเริ่มตั้งแต่เห็นร่างกายนั่งอยู่นี่แหละร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยๆดูไปนะแล้วก็รู้ความรู้สึกของตัวเองไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดีก็รู้โลภโกหลก็รู้ฟุงงซ่านหดถูก็รู้ให้รู้ไปเรื่อยๆนะ ตรงที่เรารู้จึงชํานาญไม่ได้เจตนาจะรู้เพราะรู้ได้ที่ว่าเราเกิดสติสุดท้ายปัญญามัว่าเกิดมีรู้ว่าทุกสิ่ทุกอย่างไม่เจี่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่คือเส้นทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เดินในเส้นทางอันนี้เท่านั้นแหละเราก็เดินตามไปวันหนึ่งเราก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านไปตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกท่านตรัสรู้ก่อน เอามาสอนเราเราก็ตัดสรุตามฝึกเอานะจะได้ของดีของวิเศษในโลกนี้มันมีอะไรหรอกอะพอสมควรแล้วะว่าไปับนมัสการค่ะท่านโยมก็มีจิตฟุ้งซ่านมากคราวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะนั่งสมาธิเลยทั้งๆที่ปกติชอบนั่งสมาธิมากทำไมล่ะทำไมาไม่นั่งเหมือนกับว่าพอนั่งแล้วมัน มันมันฟุ้งซ่านนะคะมันมันมฟุง้งซ่านก็นั่งค่ะนะสงบก็นั่งฟุ้งซ่านก็นั่งโยมก็เลยนั่งแต่ว่านั่งแบบแบบรู้ตัวนะคะแล้วคราวนี้รู้ไปเรื่อยๆพอโยน<ง>ต้องรู้รด้วยใจที่สบายนะถ้ารู้ด้วยใจเครียดนี่ใช้ไม่ได้นั่งให้ดูซิฟุ้งซ่าน ร, รู้สึกไหม ไม่ว่ามันนั่งมันฟุงรร้งซ่างหรืว่ามันฟุ้งซางนะแล้วก็กลับมาอยู่กับโรงกรรมฐ า, านของเรานะใช้อะไรล่ะใช้อะไรใช่ยมยมดูที่ทิ่จิตที่มันฟุ้งนะคะโอถ้าอย่างนั้นดูอย่างนั้นแล้วมันไม่ไหวนะมันไม่ไหวเข้ามาพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ย น, นะลมใจหนีไปคิดช่างมันกลับมาพุโทโธใหม่ อย่างนั้นถึงจะไว้ไปดูจิตตรงๆนะไม่ไหวรอบค่ะคราวนี้พอพอทำไปสักพักหนึ่งแล้วคนยมลืมตาขึ้นมาแล้วปรากฏว่ามันมันเหมือนกับว่าสิ่งข้างนอกเนี่ยค่ะมันมันก็อยู่ของมันต่างหากแต่ว่าไอ้ตัวรู้มันมันมันเด่นมากนะคะอย่ารักษามั น, นตัวรู้เด่นเกินไปไม่ดีนะให้เป็นธรรมชาติ แล้วโยมต้องทํำยังไงคะขยับหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิดเยอะไปนะพุทโธพุทโธไปใจเป็นสุขก็รู้พุทโธไปใจเป็นทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้นะคะทําอย่างนั้นดีกว่าอต่อไปอืมแค่นี้แค่นี้เขาก็บรรลุมรกผลกันแล้วนะหลวงตามมหาบัวเเคยบอกเม่อท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบเลย น้ำตาลหลวงพ่อครับเห็นปล่าว่าใจไม่เหมือนเดิมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมมีบ้างมันบางบางช่วงครับก็ดีแล้วล่ะไปฝึกต่อรู้สึกว่าที่ของพ่อบ้านเขาขอนลงพ่อให้ให้วิยให้สบายกว่าที่ปกติที่ที่เคยทำอยู่ก็นันก็ยังเวลาไปทำแล้วก็ยังเผลอไปไปเหมือนไปร่องเดิมที่เคยเผลอไม่ไปเลย นไปร่องเดิมรู้ว่าไปเดี๋ยววันหลังมาก็ไม่ไปอย่างตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเหมือนแต่ก่อนนะมันมันใจเคยชินจะไปยังไงมันจะไหลไปตรงเนี้ยถ้าเราก็รู้ทันนะใจอยจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาสว่างสวบขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นโดยที่เราไม่จงใจนะอย่างของคุณตอนตอนเนี้ยจงใจมากไปขณะนี้นะ รู้สึกไหมว่าจงใจรู้สึกตัวแรงไปนะให้รู้สบาสบายน้ำมาสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกแป๊บหนึ่งคุณคนที่สองอ่ะอย่าไปเพลงอย่างนี้เพลงแล้วอึดอัด น, นะรู้สึกร่างกายไปสบายสบายดูเหมือนเป็นคนอื่นรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายเห็นความรู้สึกทั้งหลายมา เหมือนเห็นความรู้สึกคนอื่นดูไปสบายๆไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ดีก็ได้นะมีกิเลสก็ได้แล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นดูไปสบายๆอย่าลืมคําว่าสบายเอาว่ามารู้สึกใจเต้นแรงค่ะดีอย่าให้หยุดไปแล้วฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามสังเกตเลือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยน รู้สึกไหมกายกระใจ<น>ะมันก็คนละอันกันกายกระใจอ่ะคนละอันสุขทุกข์ดีชั่วกระใจก็คนละอันกันนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตตรงเนี้ยสุดท้ายนจะเห็นเลยไม่มีตัวเราสักที่เดียวเลยร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานะดูเล่นๆไม่ต้องจงใจมากถ้าดูเล่นๆนั้นเดี๋ยวก็เห็นภานาดีขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชายคนที่สอง เ, อเพ่งอีกแล้วนะก็มมมไม่ได้ส่งกันบ้านของพ่อนานมากนะคะหลวงพ่อไม่ว่าหรอกอคือตอนนี้ปฏิบัติโดยโดูปฏิบัติโดยทุกวันนะคะพ่อพยายามนะคะแล้วก็รู้สึกตัวรู้สึก จ, จิตใจตัวเองอในชีวิตประจำวันนะคะใช่ได้ะะไมีอะไรหลวงพ่อจะแนะนำบ้างไหมคะอย่าโลภนะ ดูสบายๆ ย, ยันที่ยังหวังผลอยู่หวังผลแล้วมันช้าก็ปล่อยใจให้สบายๆเลยใช่ไหมดูไปเรื่อยนะไม่เลิกนะไม่ใช่ปล่อยสบายๆแล้วไม่ดูนะออย่างนั้นเออเราเหยียดใจไม่ได้ดูไปซะขยันทําเหตุคือดูเรื่อยส่วนผลจะเป็นยังไงช่างมันมันเป็นเอง มัสการาพระอาจารย์ส่งกับบ้านครั้งแรกครับมีความคิดว่าชีวิตเหลือน้อยแล้วก็เลยเร่งปฏิบัติก็ปฏิบัติตั้งแต่ตีสามทุกวันก็เดินแล้วก็นั่งวิธีปฏิบัติก็ดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะฮะดูขันที่มันพยอยกันเกิดพยอยกันดับนะฮะแล้วก็บางครั้งออกไปวิ่งออกกำลังกาย ก็ดูขันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันดับไปเออแล้วก็น้อมมาพิจารณาในห ล, ลักไตรลักษณ์ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับถูกนะแต่ต่อไปเราไม่ต้องน้อมนะไม่ต้องรู้สึกอับแต่เบื้องต้นเนี่ยบางคนต้องน้อมก่อนก็ไม่งั้นจิตมันไปรู้ตัวอยู่เฉยๆถ้าจิตรู้ตัวเฉยๆไม่ดูไตรลักษณ์เนี่ยต้องน้อมไปพิจรารณา แต่ต่อไปแล้วมันจะรู้เองถ้าเป็นตลักษณ์วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกนะไม่ได้คิดหรอกเบื้องตอนพิจารณาก่อนไม่เป็นไรแต่บางครั้งมันก็หลงไม่ได้พิจารณาแล้วก็นึกรู้สึกตัวก็ามาพิาพจารณาก็จะเห็นกายเห็นเวทนาที่มันแยกกันออกเจอพอแยกได้แล้วก็ดูของจริงไม่ต้องคิดละ การคิดพิจารณาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นจะตุ้นให้จิตเดินปัญญานะถ้าจิตสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของสภาวธรรมได้แล้วไม่ต้องคิดนะ่ะของจริงๆแหละนั่นแหละดูเข้าไปเลยครับมันจะพิดารณาอ่ามันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องน้อมพิจารณาใช่ไหมครับใช่เราไม่ได้คิดอนะ่ะจะรู้สึกมันแทนที่จะเป็นคิดนะมันเปลี่ยนเป็นรู้สึกอย่างเนี้ยมันรู้สึกเลยตัวนี้ไม่ใช่เรา่ มันไม่ต้องคิดไว้าไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่เรานะมันจะเปลี่ยนจากคิดเป็นรู้สึกครับเอสแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเราเห็นจริงหรือเห็นจากสัญญาให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นะัดูสภาวะปัจจุบันเลยนะ่ะกลับนมัสการครับครับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนจะมาถามว่า จิตผู้รู้ที่เคยตั้งนิ่งๆอยู่ตอนนี้มันเริ่มคลายแล้วใช่ไหมคะคลายแต่ยังไม่หมดนะค่ะค่อยๆ ค, คลายไปมันมันเป็นของดีหรอกแต่ว่ามันขวางทางเราในี่ยนิ่งอยู่กันนะนะพอ ป, ปล่อยให้มันทำงานไปเราก็จะเห็นว่าจิตผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้ชิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนั้นแต่ตกไม่เที่ยงเหมือนกันตกในความไม่เที่ยง ว่าวิธีคลายที่ใระ ย, ยอง<ด>ถูกแล้วใช่มครัถูกแล้วล่ะค่อยๆ ค, คลายออกไปแล้วเวลาเราเห็นท่าขันมันแตกเป็นเสเสียงๆแล้วดับไปเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันเหลือแต่ความบ้างเราควรจะดูตรงไหนรูแต่จิตดูย้อนดูจิตตัวเองอืมจิตรู้สึกตัวอยู่ก็รู้ตัวอยู่นะนะเอากลับมามีร่างกายมันจะรู้ทันทีเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปล้วค่ะกราบขอพระคุณหลวงพ่อคะ่ะ นรองสการหลวงพ่อครับผมก็ได้ติดตามฟังเพลงของหลวงพ่อแล้วก็ได้เริ่มปฏิบัติได้หนึ่งเดือนนะครับการเริ่มจากสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิครับผมนั่งสมาธิก็วันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบนาทีครับโดยใช้วิธีการหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกครับก็พอหายใจได้ไปสักพักหนึ่งก็มันก็จะ ใจลอยครับใจลอยก็คุ้มแล้วก็ดึงกลับมาดูอาจจะเข้าหายใจออกอืมอ่าแล้วก็ส่วนการปฏิบัติประจําวันดีเ อ, อย่าใจลอยนานนะครับใจลอยนิดหน่อยไหลแวมรู้สึกนใช่ได้ครั บ, นะรบแล้วก็ส่วนตื่นขึ้นก็จะดูกายครับพอตื่นขึ้นดูกายดีกายลุกกายเดินรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราอ่า ร, ร, รู้สึกครับผมนั่นแหละถูกแล้วละนะ เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนท่าที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งก็พอดูกายก็พอจิตมันจะใจลอยเหมือนกันครับมันลอยนะพอดูกายเสร็จมันก็ใจลอยครับไอ้ใจล อ, อ, อยไม่ไมดีพอใจใจลอยหม่ยมันหมาถึงว่าจะเราไปผมก็ดึงกลับมาดูกายลกลับมาที่ไก่ครับกลับมารู้สึกเลยได้ใจลอยเนี่เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งเลย ก็ได้สอบถามหลวงพ่อว่าผมคนที่ต้องเพิ่มแบบเพิ่มเติมนทำถูกแล้วนะค่อยๆทำไปกับมัสการครับหลังมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกก็เห็นกายกับจิตนะค่ะแยกจากกันแล้วก็เห็นเห็นขันทำงานเห็ในใจรักเห็นตัวอยากเห็นตัวทุกข์ เห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นดีล่าสุดเนี่ยค่ะก็เห็นความไม่พอใจความอยากจะเอาชนะค่ะมณัตตาแล้วก็เห็นโมหะกับอวิชชาด้วย อ, อวิชชายังไม่เห็ น, ออนหลับนะอลิชชาเห็นยากหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ไม่ทราบว่าอะไรหายไปอะค่ะจิตก็จะสว่างเบาโลง่งแล้วก็ว่างๆแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาอยู่รอบๆตัวก็จะผ่านผ่านผ่า น, ผ, านผ่านไปโดยที่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยส่งการบ้านหลงพ่อเลยคือถ้าจิตปกติเหมือนตอนนี้นะอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเฉยๆเพราะจิตเนี่ยเข้าป้อมไว้เฉยๆใช่ค่ะเหมือนกับเขา เพ่งหรือเขาเกลงไว้ถ้าอยู่ในชีวิตธรรมดาทุกอย่างมาแล้วไปอย่างนั้นดีตอนตื่นนอนนะคะจะเห็นใช่ตอนตื่นนอนดูได้ง่ายทำงานแล้วก็มันจะจิตมันก็จะแบบว่างๆเบาๆโล่งๆสว่างๆโดยที่เองก็ไม่รู้ว่าอะไรหายไปอ่ะก็จะมากราบเรียนถามหลวงพ่อว่าแต่จะขอการจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันสว่างว่างแต่กิเลสยังอยู่นะ ยังเห็นกิเลสอยู่นั่นย่งความเ ป, วเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรเนี่ยยังอยู่ค่ะสังเกตไหมเวลาคิดเนี่ยมันมีเราซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดคะ่ะเพราะฉะนั้นสัพยทิฐิยังไม่ขาดน ะ, ะดูไปอีกดูรูปดูนามนี่แหละกลับนมัสการค่ะก็นานดีถูกใจนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์โยมก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะ ปฏิบัติมาหลายปีแล้วเจ้าค่ะแต่จิตมันยังไม่ตื่นเลยเจ้าค่ะทำไมมันไม่ตื่นนะเวลานั่งสมาธิมันก็ชอบหลับเจ้าค่ะจะลุกขึ้นเดินอายุเท่าไหร่แล้วหกสิบเออถ้าอายุเกินห้าสิบนะนั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้หรอกมันหลับเพราะสมองมันเริ่มล้าลงไปต้องใช้ร่างกายช่วยเคลื่อนไหวกวาดบ้านถูบ้านทางานไปะอะไรเงี้ย แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปสุดอ่อนคือช่างคิดคิดเยอไปนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆนะอานนี้ก็จะไปได้จะไปดูแต่จิตเนี่ยแป๊บเดียวมจะเผลอไปเพาะแรงมันไม่พอมอายุเยอะขึ้นนะดูจิตเฉยๆเดี๋ยวก็หลับเพราะมันละเอียดเกินไป อยนี้หายใจไปก็รู้สึกไปแต่อย่าเพ่งอย่างนี้เพ่งอย่าไปจ้องหายใจไปสบายๆไม่เห็นคนอื่นหายใจนะดูสบายๆเ <ไป S 2> ดินจง ก, กรมถูกหรือยังเดินจงกรมถูกหรือยังท่านอาจรย์มาเดินสิ น, สนั่งอยู่แล้วมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรม ถ, ถูกไหมเอี่ย นี่ออกมาข้าหน้าเลยเนี่ยกว้างๆเออรู้สึกตัวก่อนเห็นไหมว่าใจมันอยากเดินไหมใจมันเดินก่อนขาให้มันเดินไปด้วยกันให้มันรู้สึกไปใจอาจไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะให้รู้สึกเออดีไปไปเดินอย่างนี้แล้ หมดแล้อยังหมดแล้วนะดีหลวงพ่อจะได้กับปัดหัวูนี่แก่แล้วอาภาษค่ะในโอกาสนี้นะคะขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาและขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่ น, นี้ได้กล่าวคําถวายทานและปัจจัยที่มีผู้นํามาถวายค่ะขอเชิญทุกท่าน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 เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นการละนานเทินหลวงพ่อโนโมนานะทางผู้จัดทางผู้ฟังนะไม่ต้องให้พรก็แล้วกันหลวงพ่อไม่มีเสียงนะไปให้พรตัวเองได้สวดได้แม้แยถาเริโหา ไปให้ฟังตัวเองแล้วกันนะมันเป็นรูปแบบพิธีกรรมเท่านั้นแหละไปแล้วล่ะค่ะเชิญทุกท่านได้กราบหลวงพ่อพร้อมๆกันสามครั้งนะคะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะ